วันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกเราได้มาทาบุญได้มาวัดในมาทำบุญในวันนี้ก็ให้ราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นวันที่โลกทั้งหลายได้รับแสงสว่างจากธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูดคือเกิดและตัดสร คือบรรลุธรรมแล้วก็พร้อมกันกับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานกายสังขารของพระองค์ดับวันนี้สมวันพร้อมกันจึงว่านับว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งะนนั้นพวกเราได้มาวัดว่าศาสนาที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกานับถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราควรจะ ไหว้พระอันดับแรกไหว้พระหันหน้าไปทางพระประธานเมื่อไหว้พระจบแล้วก็ควรจะสมาทานศีลด้วยวันนี้คือรักษาศีนรักษากายไหวจ้จ่าให้เรียบร้อยสุดแท้แต่ท่านผู้ใดจะรักษาอะไรแต่ตามที่จริงหลวงพ่อว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ไม่มีภาระพันธะผู้ที่เคยรักษาศีนอยู่แล้วก็ควรจะรักษาศีนอุโบสถเพราะเป็นวันสําคัญ ถ้าผู้ไม่เคยรักษาโบโสดสินหรือรักษาศีล8ก็ควรจะศึกษาว่ารักษาศีลแปนั้นควรทำอย่างไรแล้วก็ให้รักษาศีลห้า น, นะวันนี้ให้รักษาศีลห้าทุกคนน่ะเป็นไปได้นะแต่นี่ไม่ใช่บังคับนะเป็นการขอร้องว่าเป็นวันสำคัญพระพุทธศาสนาพวกเราควรจะทาตนให้เป็นคนดีสักวันหนึ่งใน365อวันนี ได้ไหมวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันสากลโลกวันนี้ทางโลกเขาหยุดงานกันทั้งหมดเมื่อ 3- ามสี่หปีให้หลังก็เป็นวันประกาศเป็นวันสำคัญของโลกเหมือนกับวันคริสต์มาสของศาสนาคริสต์น่ะพระเยซูน่ะวันตายของพระเยซูนี่วันวันตายของพระพุทธเจ้าเป็นวันสําคัญที่ประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้ เห็นพระธรรมคำสั่งสอนของท่านนะเพราะนั้นวันนี้พวกเราลำเลึกถึงพวกเรานับถือพวกผู้ธเจ้านะพระธรรมประสงค์ก็ควรจะทำตนให้เป็นคนดีนะเอาตอนนี้ไปก็หันหน้าไปทางพระประธานกราบพระส ก, ก่อนะใครเป็นผู้นำอรหังสัมมาสัมพุทธโธสวาคตโตสุปฏิปนโนกนจากนั้นก็อาราธนาศีลห้านะเอากราบหลวงพ่อมองหาโลกเดกหลกเดกมองหาเรื่อง จะประกาศเรื่องทองว่าทองของวัดเราเนี่ยยังไม่เคยประกาศให้ญาติโยมรับรู้รับทราบเลยว่าในวัดของเราเนี่ยตั้งแต่ริเริ่มโครงการช่วยชาติขององค์หลวงตาวัดของเราเนี่ยคณะสัตธาญาติโยมคณะกลุ่มวัดป่านาคําน้อยของเราเนี่ยได้ช่วยชาติเท่าไหร่นะหลงพ่อมีตัวเลขคือได้จดไว้หมด ตั้งแต่ริเริ่มว่าวัดของเราเนี่ยทำบุญเท่าไร่ทองเท่าไหรเงินเท่าไรดอนล่าเท่าไร่นะแล้วรวมเป็นยอดสุดทธิเท่าไรนะได้จดไว้หมดว่างันเถอะคิดว่าจะอ่านให้ญาติโยมฟังเป็นครั้งคราวญาติโยมมามากบางทีก็ยังไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังพู้ที่ยินได้ฟังจนหลายครั้งแล้วก็เวลาหลวงพ่อจะอ่านก็อุดถุงไว้นะอไม่ต้องฟัง ปิดหูไว้ <c oughs> ก็มัได้ยินเองอหรือจะฟังอีกซ้ำสองก็ได้เพื่อจำให้แม่นว่างั้นเถอะคือตั้งแต่ริเริ่มตั้งแต่ปี 2,541 เป็นเวลา6ปีนะโครงการช่วยชาติขององค์หลวงตาวัดของเราได้รวบรวมจะตุปัจัยเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่12เมษายน 2,547 ที่สวนอำพรเป็นวันมอบสุดท้ายเจ้นี้จากนั้นมาพวกเราก็ได้มารวบรวมตัวเลขในวัดของเรานะเราถวายเมื่อไรวันที่เท่าไรเวลาเท่าไรต่างกรรมต่างวาระได้ทองคําทั้งหมดนะหนึ่งรกิโลกว่าๆยังไม่เท่านั้นนะแต่ไม่ไม่ถึง3กิโลงหมเพราะนั้นหลวงพ่อจึงหาแผ่นกระดาษแผ่นนั้น ที่พระธนามาให้มันรู้หายไปไหนว่างั้นแต่แต่จำได้แม่นว่าหนึ่งร้อยสองกิโล ก, กว่าถ้าคิดเป็นตรงเงินออกมาห้าสิบห้าสิบสองและห้าสิบสามล้านเนี่ยแหละประมาณห้าสิบสามล้านเนี่ยพระธนยังถกเถียงกันอยู่ว่างั้นเถอะเพราะว่าบางทีก็ใส่ตัวเลขเข้าไปอาจจะเกิดไปสักหน่อยว่างั้นเถอะเพราะว่าทองคำหลวงพ่อ เปลี่ยนใหม่ๆเดี๋ยวหลวงพ่อเอาใหม่ๆช่วงนั้นก็30000นขวบบาทเด้สามแสนสี่สามแสนหต่อ1นกิโลโครงการช่วยชาติใหม่พอที่จะปิดโครงการนี่มัน 5,2 าแสนสางงั้นเถะแล้วเราจะเอาตัวเลขตัวไหนมามาหารกันเีท่านก่อนดูดูตัวเลขนั่นน่ะที่ได้ให้เอาไว้นั่นน่ะเอามาหารตรงครึ่งวา ง, งั้นเถอะเออมาตรงครึ่งกลาง แล้วเป็นเงินเท่าไหร่แต่บางองค์ก็ยังไม่ลงลอยกันบางองค์ก็ว่า50าสล้านบางองค์ก็ห้บสล้านกว่าลักษณะอย่างนั้นแะแต่สรุปแล้ว50กว่าล้านที่พวกเรารวบรวมจตุปัจจัยถวายร่วมโครงการช่วยชาติกับองค์หลวงตาเพรวันนั้นพวกญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ก็พวกเงินจตุปัจจัยของพวกเราที่คนละเล็กคนละน้อยคนละมากก็ขออนุโมทนาสาธุพร้อมกันเนะ้อ อ่าหลวงพ่อบอกประกาศให้อ่ให้รับรู้รับทราบร่วมกันเป็นบุญเป็นกุศลทองคําอันนี้ก็เข้าไปอยู่ในสงบนิ่งอยู่ในคลังหลวงเหมืองั้นเถอะเงินของพวกเราถ้าหว่าประเทศชาติบ้านเมืองอมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นก็จะได้เอาเงินอทองอันนี้แหละเอามาเป็นฉโนดเออเอาโฉนดมาจำนองจำนำําหมางั้นเถอะอ่แล้วก็เอาเงินออกมาช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเรา เนี่ยหลวงตาท่านคิดไกลถึงขนาดนั่นแหละทองคําถึงจะเป็นของไม่มากสําหรับองค์หลวงตาแต่มันเป็นมากสําหรับพี่น้องประชาชนอย่างที่หลวงพ่อพูดเดี๋ยวนี้แหละร้อยสองกิโลอย่างนี้ใครจะเป็นผู้ทําได้ในคนใดคนหนึ่งก็อาศัยพี่น้องประชาชนทุกคนนี่ยนะคนนั้นเล็กคนละน้อยอบางที่ก็ทำมาค้าขายมีเงินมากเออช่วยชาติขององค์หลวงตาเาถวายหลวงพ่ออิน เพื่อร่วมช่วยชาตินี่หลวงพ่อก็ได้จะตุปัจ จ, จากศรัทธา ญ, ญาติโยมคนละนิดคนละหน่อยนยมารวมกันจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นทองเข้ามาก็ถวายองค์หลวงตาอ่นี่แหละอันนี้ก็คือเรื่อ ง, งเด่นแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาตกตอนเย็นหลวงพ่อก็คงจะพาคณะศรัทธ า, า ญ, ญาติโยมทราบข่าววัฒนายอำเภอมีหนังสือเวียนไปสู่หัวหน้าส่วนราชการให้มา เวียนเทียนในเย็นวันนี้นะเนี่มาเวียนเทียนในเย็นวันนี้ก็คงจะกะประมาณสักทุ่มเนี่ยแหละประมาณมืดๆเดนี่ะแห่ะคงจะเวียนเทียนรอบศาลาของเราพุทธปฏิมากรเป็นเจดีเป็นหลักจากนั้นก็คงจะมีการพูดสนทนาธรรมะหรือฟังเทศจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็น ศลีดมงคลสําหรับพวกเรานะนเย็นวันนี้นะว่าท่านผู้ใดว่างก็มาเวียนเทียนได้ถ้าไม่ว่างก็ไม่ว่ากันนะไหวพระสวดมนต์อยู่ในบ้านก็ได้เพราะเป็นวันสําคัญวันหนึ่งและก็ตอนเช้าที่หลวงพ่อจะได้พูดให้ฟังนั่นก็คือบางทีตอนเย็นอาจจะไม่ได้มาติดภรรยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แกไปยากมายากหลวงพ่อก็จะพูดให้ฟังว่าวันนี้สําคัญอย่างไร เป็นวันสําคัญอย่างไรจึงว่าวันสําคัญวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างยิ่งในหลักของพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดได้ในง่ายๆตามหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทว่าสี่อสงไขยกําไรแสนมหากับท่านจึงในมาอุบัติขึ้นในโลกนานที่สุดเท่าที่จะนานว่างั้นเถอะท่านเปรียบเทียบจนถึงท่าที่คิดตัวเลขในเครื่องคิดเลขก่อน หมื่นแสนล้านล้านล้า น, านจนสุดตัวเลขว่า ง, งันเถอะเทว่าอสงไขยเนี่ยอันนี้สี่อสงไขยแปลว่าเครื่องคิดเลขนับไปแล้วจนสุดสี่ครั้งว่า ง, งั้นเถอะเออกาไรแสนมาหากับพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสในโลกองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นของหาไดอย่างเพราะฉนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสคือเกิดขึ้นมาแล้ววันเนี้ยเออที่สวนลมพินีที่ประเทศอินเดีย จากนั้นมาพระองค์ก็อายุ29ปีพระองค์ก็ออกบวชออกบวชก็คือเป็นนักโทษเป็นพระเป็นพระองค์หนึ่งว่างนั้นเถอะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดาไม่ใช่อินพรหมนะเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยนะพ่อของพระพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าจุตโทธทนะแม่ของพระพุทธเจ้าก็อชริมห า, มายามาและลูกพันญาของพระพุทธเจ้าก็มีเลยพิมพายโสทลา ลูกของพระพุทธเจ้าก็มีอีกชื่อพราหุนนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวบุตรเท ว, วดาเป็นมนุษย์ของพวกเราเนี่ยแหละแต่ว่าพระพุทธเจ้ามีความคิดอันหนึ่งขึ้นมาในใจตั้งแต่วันเกิดว่า ง, งั้นเถอะผิดปกติของมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้คิดฉเฉลียวฉลาดเป็นผู้คิดนั่นน่ะเพราะบุญวาสนาของพระองค์พามาเกิดนะจากนั้นพระองค์อายุยี่ิบเกปีพระองค์ก็ออกไปบวช ไปบวชถึงหกปีอบําเพ็ญอยู่หปีลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกเหมือนกับเราไปปลูกไร่กาแฟแล้วไปปลูกอะไรที่เราไม่เคยทําอย่างงั้นเถอะเปลูกพริกปลูกเขนะ่ะอนบางทีก็ปลูกเข้ามาแล้วทำยังไงไมันจึงได้ผลทํายังไงมันจึงจะดีลักษณะอย่างงั้นอตอนนี้พระพุทธเจ้าลองอยู่หกปีถึงวันที่หคือวันนี้แหล ะ, ะพระพุทธเจ้าตัดสัตธ์ทำคือบําเพ็ญ จิตภาวนาหาความสุขมนุษย์หรือความสุขมันซ่อนอยู่ที่ไหนความสุขมนุษย์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าค้นหาสรุปแล้วคือความสุขอยู่ที่ใจนะความสุขอยู่ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจเมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบที่นั่นก็ว่าค้นพบหลักธรรมจากนั้นก็นําพระธรรมคําสั่งสอนออกมาเผยแผ่ให้พวกเราได้เข้าใจก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้ต้องทําตัวอย่างไร อย่างเนี้ยเป็นผู้มีทานให้ทานเป็นผู้รักษาศีลและก็ภาวนาถ้าถ้าคนไม่มีทานคนเห็นแก่ตัวคนคับแคบคนไม่เสียสละไปนิพพานไม่ได้ผู้ที่ไปนิพพานได้ต้องเป็นผู้ใจกว้างขวางใจเผื่อแผ่มีเมตตาเอา่อมีจิตใจอบอ้อมอารีเออรู้จักพระคุณของบิดามารดารู้จักคุณ เพรพุทธศาสนารู้จักคุณผู้มีคุณเ อ, อจิตใจอ่อนน้อมท่อมตนแต่เป็นผู้มีปัญญา อ, อใช้ปัญญาเ อ, อไม่ให้ใช้ศรัทธาคือความเชื่ออย่างเดียวไมใ่ใช่ใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนอันนี้เหตุผลยังไงควรทํำยังไงควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาจากนั้นก็ให้ทานรักษาศีลคือรักษากายวายจใให้เรียบร้อยไม่ให้มีโทษ รักษาศีลก็คืออะไรอย่างที่หลวงพ่อจะให้ศีลเร็วๆนี่แหละคือปานาติปาไม่ให้ฆ่าสัตว์อ้าวไม่ให้ฆ่าสัตว์จะกินยังไงเราจะไปคิดสั้นอย่างนั้นฆ่าสัตว์ฆ่าบัวฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าไก่ฆ่าอะไรก็ตามเขาก็มีชีวิตเขารักชีวิตเราก็รักชีวิตสมมติว่าเขามาฆ่าเราเราจะยอมให้เขาฆ่าไหมเราก็ไม่ยอมถ้าเขาจะฆ่าลูกเราจะฆ่าล้านเราเราจะให้เขาฆ่าไหม ไม่ยอมเพราะอะไรเพราะเรารักอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเขาเขาก็รักพระพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าความรักชีวิตเนี่ถึงจะเป็นคางคกจริงจกตุกแกอะไรก็ตามเขาก็รักชีวิตของเขาเพราะนั้นอย่าไปฆ่าพอไปจับที่จะฆ่าเขาเขาล้ออาฆาตเต็มทนว่างั้นเถอะพอหนีได้ก็วิ่งเต็มที่เลยว่างั้นเถอะพ่อยแรเพราเขากลัวตายเราก็เหมือนกันเราก็กลัวตายเหมือนกับสรรพษษัพพสัตทั้งหลายเพราะนั้นอย่าไปฆากันพุทธเจ้าว่างั้น แต่บางคนถ้าไม่ฆ่าแล้วจะกินอะไรเราจะไปคิดโง่อยางงั้นถ้าคิดอย่างงั้นไม่ใช่พุทธถ้าคิดอย่างงั้นแปลว่าโง่ามากเาพราะผู้ได้เจ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี่มันไม่เหมือนกันหรอกผู้ที่มันฆ่ามันมีอยู่แต่เราอย่าไปฆ่าที่ประกาศทุกคนว่าอย่าไปฆ่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะฟังหลวงพ่ออินหมดถ้าเขาว่าฟังหลวงพ่ออินหมดเนี่ย คนทุกคนก็ต้องมาบวชอย่างหลวงพ่ออินอ่คนก็ต้องมาบวชหมดว่าไงเถอะอันนี้มันบวชไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะเชื่ออยู่แต่ทําไม่ได้เนี่ยไอ้ผู้ที่ทําไม่ได้นั่นแหละ เ, เขาก็ยังทํามาหากินอยู่แต่เราอย่าไปฆ่าไปซื้อไปหาเขาเนี่ยที่มันสําเร็จแล้วเออมากินมาเลี้ยงชีพของเรายังชีพให้เป็นไปแต่ตัวเราอย่าไปฆ่าเนีอย่าไปชี้ว่าเนี่ยปลาอยู่ในตัวเอาตัวนี้ละ เนีมันทั้งที่มันไหวยน้ําอยู่เอาตัวนี้ละ่ะเพื่อมันจสดจะได้กินอร่อยอันนั้นเพราว่าเห็นแก่ปากแก่ลิ้นอย่าไปทําอย่างนั้นผิดศีลที่มันตายไปแล้วอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราไปซื้อไปหาเขาอันนั้นไม่ผิดศีลกินเท่าไหร่เขได้อย่างพระนี่ท่านไม่ได้ไปซื้อไปหาไม่ใช่เหรอเนีครูบายจานเนี่ยมีอะไรมาให้ฉันก็ฉันทําไมผ้าจึงฉันเพราะผู้เจ้ากทว่าพิกษุเลี้ยงชีวิตเรื่องด้วยผู้อื่น เราควรทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายเอ่พวกพระเจ้าวายอย่างนั้นได้เอ่ไม่ใช่ว่าอันนั้นก็ขาดกินไม่ได้อันนี้ก็ขาดกินไม่ได้อันนั้นก็ทําไม่ได้มันก็เลยเลี้ยงยากชาวบ้านเขากินอย่างไรเอราก็ควรจะกินอย่างนั้นแต่พระเทเจ้าบัญญัติว่าจะไปกินเนื้อมนุษย์นะอย่าไปกินเนื้อช้างอย่าไปกินเนื้อม้าย่าไปกินเนื้อหมาจะไปกินเนื้องูอย่าไปกินเนื้อหมีอย่าไปกินเนื้อเสือมีความหมายทั้งหมดที่พระเทเจ้าบัญญัติเหล่านั้น บอกพิปิตรกินเนื้อเสือถใว่าหมวคนที่กินเนื้อเสือถ้าพราะอยู่ในป่าอยู่แล้วเสืออยู่ในป่าเนี่ยมันถูกกลิ่นมันมันหาว่าเบียดเบียนมันก็มากัดพระไงพวกทัยเจ้าจะมาจะไปกินเนื้อเสือนะถ้ากินเนื้อเสือเนื้อเสือมันจะมากัดพระเนาะ <sweating S 1> พวกเราให้สังเกตดูเดี๋ใครกินเนื้อหมานะไปที่ไปที่ไหนหมาเห่าทาั้งบ้านทั้งเมืองเหมือนกอะเพรเหตุอไรก็เพราะมันถูกกินหมาเนาเพราะฉนั้นเสือก็บลักษณะเดียวกันนั่นแหะเพราะพวกทัยเจ้าท่านมีความหมายของท่านได้ท่านมาให้กิน กินช้างทําไมเพราะช้างเพราะว่าเป็นสัตว์พาหนะของพระราชาไปกินเลยก่อสมัยก่อนพระราชาเอาช้างไปลบใช่ไหมล่ะเอาออกซ้างช้างไปออกศึกใช่ไหมม้าก็เหมือนกันม้าพระราชาถ้าคนไปกินซะพระไปกินซะอย่างเนี้ยก็ทําให้พระราชาท่านเดือดร้อนพระเจ้าก็บัญญัติไม่ให้ฉันถ้าฉันเป็นอบัติทุกกฎผิดศีลอย่างนี้แหะเพราะนั้นความหมาย หลักธรรมคาสั่งสอนของผู้เรียเจ้าถ้าเราเอามาวิเคราะห์เอามาพิจารณาดูแล้วมีเหตุมีผลทั้งนั้นแหละอย่าไปคิดแบบสั้นๆสั้นๆคิดให้ยาวๆให้กว้างๆมองให้รอบด้านศินของผู้เรียเจ้าจะมีคุณค่าอย่างมากอย่างค่าสัตว์อย่างนี้ถ้าเราคิดว่าไม่ฆ่าสัตว์เราจะกินอะไรอย่างนี้มันคิดสั้นเกินไปให้คิดยาวๆพระทำไม่ฆ่ า, าท่านยังได้กินเลยเพราะนั้นเราต้องคิดอย่างนั้นนี่ย ก็คืออย่าไป่าสัตว์ถ้าเรางดไม่ได้จริงๆวันนี้เราต้องงดได้วันสําคัญเนี่ยวันหนึ่งเรางดไม่ได้เหลยเราจะคาทุกวันอย่างนั้นเหรอเออควรจะมีสักวันหนึ่งวันสําคัญเนี่ยเราพระเจ้าพูดจริงพูดถูกต้องแล้วนะแต่คางดไม่ได้แต่วันนี้ข้าพเจ้าของดสักวันหนึ่งอย่างเนี้ยไม่ได้เหลอเนี่ยอันนี้เราก็ต้องพิจาจรน า, นาห้ามตัวเองเลยถ้าไม่ห้ามตัวเองไม่มีใครจะห้ามหรอกนะอาทินนาก็เหมือนกัน ทรัพสมบัติของคนอื่นเขาก็รักสงวนห่วงแหนเราไปเบียดบังเขาไปป้นไปจี้ไปโคดไปโกงเขาเขาก็เสียใจเขามาโคดโกงเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นศินข้อที่สองควนรักษาศินข้อที่สามกาเมสุมิชชานสามีพัญญาลูกเต้าเล้าหลานใครเคารักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอญาติโกโหติกาเขาก็เสียใจเราไปล่วงล้ำเขาเออ ถ้าเขามาล่วงล้าเราเราเสียใจมาเราก็เสียใจพราะพระเ้จจ่ามองเห็นแล้วเอถ้าว่าเสียใจมากๆก็ฆ่ากันได้มันก็เข้าไปหาตัวปานาธิบาตอีกอย่างเก่าเพราะนั้นพระเจ้ามองเห็นแล้วบอกสิ่งที่ไม่ดีควรจะงดเอสิ่งที่มันไม่ดีควรจะงดะกาเมสุมิชชัจารอผัวหนึ่งเมียหนึ่ง อ, อันนี้ถูกต้องเป็นธรรมแล้วตามประเพณีของโลกเป็นอย่างนั้น พระเดชจ้าท่านวางไว้อย่างนั้นอันนี้คือสิงขอที่3ามขรที่สี่มุสาไม่ให้โกหกไม่ให้พูดปลดไม่ให้ขี่ตัวว่านั่นไปแอบซึ่งกันและกันพูดอะไรก็พูดแต่ความจริงถ้าคนพูดแต่ความจริงต่อกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ถ้าพูดตอแหลพูดโกหกกันอยู่เลยถึงจะพูดความจริงขึ้นมาเขาก็ไม่มีใครเชื่อถือเพราะว่าตัวเองชอบพูดโกหกไม่เป็นผลดีสําหรับตัวเองเพราะนั้นพระเดเจ้าจึงมองเห็นแล้วว่า การโกหกเป็นผลร้ายสำหรับพวกเราอยู่ร่วมกันท่านจึงบัญญัติอย่ากโกหกซึ่งกันและกันข้อที่หสุราเมรยะชมัชประมาอย่าไปดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่กินเหล้าทุกวันหรือบคคที่ดื่มเหล้าพูดกันไม่รู้เรื่องเลยอย่างพวกเรามาอยู่จีศาลาเต็มศาลาอย่างนี้เอาฟัดเล่ากันที่คนละกงละกงเข้าไปเลยสิจะฟังเสียงกันไหม คงจะนั่งสงบงบเงียบอย่างนี้ไม่ได้เด้ไ อ, อ้พวกนเสียงดังพุดค่อยๆก็ไม่ได้ยินเสียงดังเขาตังซาลาจะแตกเอานั่นอ่ะเพราะเหตุอเพออราะมันเมามันเป็นบ้าว่างั้นเถอะมันเป็นบ้าช่วคู่ชั่วยามทําให้สมองหรือว่าทําให้ร่างกายตัวเองผิดปกติว่างั้นดื่มดื ม, ดมชุราพระพุทธเจา้าจังหวะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ล้มหายตายจะเพราะดื่มชุราเนี่เสียหายมามากต่อมาก พระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วการดื่มสุราไม่เป็นผลดีทำให้เสียหายสะมากกว่าคนดีๆกินเหล้าเข้าไปก็สามารถที่จะทำความชั่วได้ร้อยแปดพันประการข้าพ่อแม่ข้าพระศีตีสงดุดาว่ากล่าวสามีพันยาลูกเต่าแตกสดุยกระจุยกระจายไปมาม า, มากต่อมากแล้วเพราะพิษของสุราคอยนั้นท่านจึงว่าอย่ารืดดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท สุราเนี่ยสามารถทําความชั่วได้หลายๆอย่างทุกอย่างเพราะนั้นเราอย่าไปมองข้ามว่เาเหล้าก็ไม่ได้ใจว่ากินเอเงินของใครวะ่ะกินเงินเงินในกระเป๋าเราแต่กินเงินเงินในกระเป๋าเราก็จริงแต่มันเดือดร้อนคนอื่นอพอ ก, กินเหล้าเข้าไปเอารถไปชนคนอื่นเข้าละ่ะขับรถในถนนละ่ะเขาตายละ่ะรถเขาเสียหายละ่ะอถ้ามันกินเงินเราแต่มันไปนเสียหายคนอื่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าเป็นพิษเป็นภัยอย่างร้ายแรง เนีสุราเมระยะมัชานี่เพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทนะวันนี้ควรจะรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ท้าของการฆ่าสัตว์เป็นไงหลวงพ่อกันได้พูดให้ฟังแล้วเนีชีวิตของเขาชีวิตของเราอาทินนาทานเนีของเขาของเราเราก็รักฮะไม่เบียดบังของเขากาเมสุมิชชาจานลูกเต่าเล้าหลานของใครเนี่ยมูสาการพูดโปหก พูดตอแหลเป็นความเสียหายสุราเรารักษาไม่ได้แล้วเพียงศีลห้าเนี่ย เ, เพราะนั้นเวลาคนอื่นทำความชั่วพระสงฆ์เป็นอย่างั้นพระสงฆ์เป็นอย่างนี้ตํ า, นาตหนิพระสงฆ์นะพระเป็นยาง้นพระเป็นอย่างนี้นนนแต่ตัวเองไม่ไม่เคยตําหนิตัวเองว่าข้าไม่มีศีลห้าสักตัวตั้งแต่เกิดมาเยไม่เคยมีใครตําหนิตัวเองเพราะนั้นพวกเราให้ตําหนนะิให้มองตัวเองนะ เมื่อจะตําหนิคนอื่นก็ต้องมองดูนะมองดูเราด้วยเ อ, อแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ตําหนิหรอกตําหนิได้แต่จะเป็นตําหนิท่าเดียวต้องํามองตัวเองด้วยข้าเกิดมาข้ามีศีลห้าบริบูรณ์กี่ครั้ง อ, อที่หลวงพ่ออินโพูเนี่ย อ, อพวกเราได้รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือยัง อ, อ, อันนี้ก็คือศีลห้าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสําคัญ เ, เป็นวันที่ประสูด ต, ตัดจุลุ่ยแล้วก็เป็นวันปรินิพานนะ เป็นวันตายของผู้ได้เจ้าในสาการอยู่ในวันเดียวกันเนี่ยว่าเป็นวันสําคัญ เ, เป็นวันสากลโลกเขาว่ายกให้เป็นวันหยุดราชการวันหนึง่งเพราะนั้นพวกเราได้มาพบมาเจอได้มาทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้ก็ให้ตั้งอกตั้งใจประกอบคุณงามความดีให้มีศีลอย่างที่ว่านั่นนะ่ะถ้าว่าท่านผู้ใดไม่ได้มาวัด ก็ไหว้พระสวดมนต์ก็นั่งภาวนาเนอะภาวนาทำใจให้สงบไ ม, งงไม่ต้องคิดเรื่องนู้นไม่ต้องคิดเรื่องนี้ไม่ต้องคิดถึงใครทั้งหมดในนั่งภาวนาเนะให้นึกดูใจของตัวเองพุโทโธพุโทโธพุโทโธว่างทำใจให้ว่างว่างาถ้าเราทำได้อย่างนั้นทุกวันทุกวันนะ่ะบุญกุศลก็จะเข้ามาสู่จิตใจของเราใจของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุข คิดอ่านอะไรก็ไรตองเรื่องอะไรก็มีเหตุมีผลคนอยู่รอบด้านของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดไม่ร้อนมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆเออที่ผ่านมาข้าทําอะไรที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรถ้าทําใจให้ว่างทําใจให้เย็นทําใจให้มีเหตุมีผลแล้วจะมองเห็นคุณงามความดีมองเห็นความชั่วของตนเองได้เด๊แต่ถ้าหาว่าเราไม่ได้ภาวนานมีแต่คิดอย่างเดียวมีแต่จะเอาอย่างเดียวมีแต่จะเบียดเบียนมีแต่ คนอื่นผิดอย่างเดียวนะ่ะไม่ได้เนะยใจมันร้อนร้อนร้อนร้อนเอ่อีกสักวันหนึ่งก็จะระเบิดระบาดเนี่ยอ่พอระเบิดเข้ามากันั่นแหละตัวเองนั่นเดือดเดือดร้อนก่อนเพื่อนทั้งหมดเามือนกันแต่อ่าจากนอนกับพูเกี่ยวข้องก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะนั้นให้ภาวนานะให้พวกเราภาวนาไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สบายภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่ละวันก่อนหลับก่อนนอนก่อนห้าหนาทีได้ไหมวันหนึ่งเนะ่ย เอ่ก่อนนอนหรือตื่นนอนขึ้นมาแต่เช้าก่อนที่จะไปทํางานสักห้านาทีได้ไหมพุโทโธพุโทโธนั่งเออแล้วก็ก่อนนอนเราก็ก่อนจะนอนแล้วก็หลับตาเถอะพุโทโธพุโทโธให้หลับไปเลยไอ่ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่างเงี้ยล้วนแล้วจะเป็นคุณกุบชนนอะอ่ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังจวนแล้วแต่จิตใจให้สบายสบายนะต่อเ น, นี้ไปก็จะให้ศีลแบบนี้นะไอ้รักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นะ สินลับจากหลวงพ่อไปแล้วนะให้รักษาให้ตลอดรอดฟังวันนี้รับพรเน้อทีน้นะอก่อนที่จะให้พร น, นานๆพวกเราได้มาทำบุญเพราะนั้นไดมาทาบุญในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งอีกวันหนึ่งก็พวกเราให้น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึง พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเรานะขณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรถ้าผู้มีน้ําก็ขวดน้ำถ้าไม่มีน้ําก็น้ําใจนั่นแหละขวดให้น้อมกิตอุทิศกุศลผู้ฆ่าได้มาทําบุญในวันนี้ได้ถวายพัะตาหารในพระสงฆ์ในวันนี้ขอบุญกุศลที่เกิดจากการทําบุญในวันนี้รักษาสินของข้าพเจ้าในวันนี้ขอให้พ่อแม่ของข้าพเจ้าตกทุกข์ได้ยากอยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ สามีพัญญาลูกเต่าของข้าพเจ้าตกทุกข์แตายากขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเนึกคิดอย่างนั้นนะขณะที่ประสงค์ให้พรเราเราสง่ง เ, เราส่งไปชนีทางใจว่างั้นเถอะผู้ที่จะมารับก็คือใจมารับวิญญาณมารับนะเราที่ส่งไปให้ก็คือใจของเราส่งไปให้นะเ ร, รับพรนะเจรีญ น, นาวทิศส่วนกุศล ยากาวารวหา